คือการบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เรามีความเลื่อมใสในพระระัตนาไกลนี้เราก็จึงยินดีในการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่เลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้แล้วไม่มีใครรอกเกศ สละเวลามาจำสิ้นฟังธรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะสละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระวินยัยคือว่าสำรวมระวังไม่ล่วงศิขาบววินัยน้อยใหญ่ที่พระพุเทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้ว แล้วพยายามทำตามข้อที่พระองค์ทรงพระอนุญาตแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าสู้ทนเอาทั้งนี้ก็เพราะความเลื่อมใสเน่นะเป็นมูลเหตุแม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันการที่เราจะได้สละกิจบ้านการเรือน มาฟังธรรมมาจำสินอุโบสถก็ดีหรือจำสินห้าก็ดีมุนี้นี่ก็โดยอาศัยที่เรามีความเชื่อเลื่อมใสในคุณทั้งสามประการนั่นเองโดยที่มองเห็นว่าคำสั่งสอนของพระ เ, เจ้านี่เป็นนิยานิกระทำนำผู้ปฏิบัติตาม ให้พ้นทุกข์ใัยไปได้จริงๆเช่นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษิตไว้ยืนยันว่าสุขโผลุญญัสะอุจโ ย, ยนี้นะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกโขลปาปะ า, าุจโยการสั่งสมบาสนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ ตัณหคโยสัพพตุขังจินาติเอาชนะตัณหาไดออ้ทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปหมด อ, อ, อันนี้เป็นพุทธภาษิตเพราะฉะนั้นขอให้พากันน้อมนำไปตรีตรองแสดงว่า บรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั่นมันมีตัณหาเป็นมูลเหตุอย่าไปเพ่งเลงไปอย่างอื่นเลยตัณหานี่แหละปุเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์รนาประกรันตัณหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญนะลองคิดลองตรองดูให้ดีทั้งคารืงหัดทั้งหน้าบวดถ้าผู้ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัด ต, ตนจริงๆก็ตกเป็นท่าแ่งตันหานี่มา มากมายหลายล้นคนเกิดมาในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะเอาชนะตัญหานี่ได้บา น, นี้เมื่อเรามาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางกล่าวมานี่แล้วว่าตันหามันเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราก็มามาพาคเพียรพยายามละตัญหากันนี่แหละ ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าพูดถึงตัณหาของผู้ครองเรือนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งตัณหาไว้เป็นสองประเภทตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส อันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งตัณหาความอยากในรูปเป็นต้นที่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งอันนี้ควรพากันคิดกันตรองให้ดีสำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็แสดงว่าก็ยังมีตัณหาอยู่ในใจ จึงได้คลองเรือนก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้คนทิ้งเรือนทั้งหมดครองเรือนแต่ต้องคลองทำด้วยถ้าไปคลองแต่เรือนไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ความประพฤติก็จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละ เพราะว่าอาวิชชาตันหานี่ส่วนมากมันก็จูงใจของคนให้ดิ้นไปในทางต่ำทางที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นนะมีแต่จูงใจคนให้ก่อให้คล้องอยู่ในโลกนี้พูดถึงเรื่องอวิชชาตันหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามแหละจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคลือหัดก็ตาม ก็ขอให้พากันเห็นโทษของตัณหาเหล่านี้คือมันล่อลวงขิดใจของคนที่ไม่มีปัญญาให้คล้องอยู่ในทุกข์ทำไมจึงไม่มองเห็นโทษของมันบ้างเล่าเลยจะสาคัญว่าแต่ตัณหานี่มันเป็นของดีมีรสอร่อยไฟเดียวโทษมันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นี่ไม่สมควรเลย ทางที่ดีแท้แท้แล้วต้องต้องมองให้เห็นทั้งโทษของมันและทั้งคุณของมันอย่างนี้นั่นถูกต้องโทษของตัณหาซึ่งมีอวิชชาเป็นคู่กันอันนี้มันจะนำให้ไปทำบาปทำให้คนเรานั้นละเว้นจากบาปไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่รู้หนทางเว้นจากบาป เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยมันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากบาปได้คนเกิดมาแล้วนะส่วนมากหนึ่งก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้นะคนมีฐานะดีสมควรจะวินจากการฆ่าสัตว์อย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่รู้ ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็ยังไปฆ่าสัตว์อยู่อย่างนี้นะนี่แต่คมไม่รู้นะแต่สมมติว่าผู้มีฐานะเช่นนั้นนะหากเรียนรู้บาปบุญคุณโทษนี่โดยแจ่นแจ้งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปได้เลยไม่ไปฆ่า ส, สัตว์ชีวิตแล้วไม่ไปชอบไปโกงไปหลอกลวงเอาของใครไปลักเอาของใคร เพราะว่าของตนมีอยู่นี่นั่ น, นีองตนถือสัรดุถีตามมีตามได้ตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นแล้วทำการค้าขายก็ทำการซื้อสัตว์สุจริตต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าเพราะว่าเห็นว่าถ้าไปเอารัดเอาเปรียบลูกค้ า, านั่นเป็นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร มันรู้อย่างนี้นะพ่อค่าคนนั่นก็ไม่ได้พบกับบาปไม่ได้สั่งสมบาปเพราะว่าไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวต้องเห็นว่าการทำการค่าถ้าไปทำไปด้วยความโลภไปหลอกลวงช่อโกงผู้อื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินมากมายให้จนร่ำรวยขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษ พ่อค้าคนใดเรียนรู้เหตุผลของการกระทำไม่ดีดังกล่าวมานี้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นก็เว้นไปได้เลยทำการค้าโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาแม้ชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันหมายความว่าผู้ใดจะทำการงานการเลี้ยงชีพยอย่างไร เรายึดถือเอาศีลธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องดำเนินเรียกว่าเราดำเนินอยู่ในกรอบแห่งศีลแหงคำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ความประพฤติหรือการแสวงหาสตางคงดังกล่าวมานั้นไม่ไม่ให้ออกนอกศีล น, นอกคาแต่ว่าคนส่วนมาก พอพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะปฏิเสธอยู่ในใจเลยแหละแต่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้นะอืมเป็นอย่างนั้นแล้ว่วนมากเลยนะอันนั้นท่นเรียก ว, ว่าตีตนตายก่อนไข้<ม>พอเป็นไข้ลงอย่างนี้ญาติๆบอกว่าจะไปเอาหมอมารักษานะคนไข้เราไม่ต้องไม่ต้องฉันจะตายอยู่แล้วอืม เอาละให้มันตายไปซะนี่อุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> เมื่อมีผู้มาแนะนำให้รู้ว่าอาอย่างนี้นะ่ยมันควรละควรเว้นถ้าขืนไม่ละแล้วจะต้องได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นผลอย่างนี้มันจำเป็น ละไม่ได้ทุกกับจำยอมแหละอืเพราะามันจำเป็นนี่อเอาแต่เรื่องจำเป็นเข้ามาว่ากันเลยคนส่วนมากนะที่ใช้สำนวนอย่างนี้นะ่ะแสดงว่าขาดปัญญาไม่คิดว่าจะมีอุบายปัญญาหาทางแก้ไขถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นไม่คิดเลยนะคนส่วนมากเ็อย่างนั้น มีแต่ยอมแพ้ต่อกิเลสบาปประรมไปเลยอันนี้เน่ยน่ะทุเรศ จ, จริงๆทั้งที่ว่าเราปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจริงๆแล้ววันนี้พระพุทธเจ้านั่นทรงสอนให้คนเราละบาปทีนี่ทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลทรงสอนให้ ทำมาหาเรื่องชีพโดยทางสุจริตอันอันคําสอนของพระพุทธเจ้านะี่ที่พระ อ, องค์ทรงพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกคือไม่ประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจุดประสงค์ที่พระ อ, องค์สร้างบา ร, รมีมาตั้งเสียสงไขยปลายแสนมหากัรมาได้ตัดรู้เว้นพระพุทธเจ้านี่ ก็มีพระประสงค์อย่างนี้เองเนี่ยเพราะองค์ตัสลูแล้วพระองค์มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากหาอุบายต่างๆมาเน้นําสั่งสอนคนเพื่อให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทดนี่แหละเพื่อให้คนได้ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนของตนอันนี้เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลย แล้วทรงสั่งสอนสูงไปกว่านั้นก็ทรงสั่งสอนให้รู้จักอุบายชำระกริเลสอันมันทุ้มห่อจิตใจอยู่นี่ให้มันหมดให้มันสิ้นไปจากดวงจิตนี่ทีนี้ผู้ที่จะมาชำระกริเลสอันอย่างกลางหรืออย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปจากจิตที้ได้เมื่อก็ต้องลากกิเลสส่วนห ย, ยาบๆนั่นมาก่อนอ กิเลสส่วนหยาบที่มันพาให้ทำบาปทํากรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นนะนั้นเรเรียกว่ากิเลสยังหยาบมก็ต้องละกิเลสยังหยาบอันนั้นก่อนเมื่อละกิเลสยังหยาบนั้นได้แล้วก็สแสดงว่าไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้ววันนี้ก็มาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจ ให้เข้าถึงความสงบมันก็ทำความสงบได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีบาปมารบ ก, กวนจิตใจเช่นน้อมใจลงสู่ความสงบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปบาปไม่มารบ ก, กวนจิตก็ไม่เผลอจากพุทโธสติก็เ ก, กล้าประคองจิตให้นึกพุทโธต่อ ติดติดต่อต่อกันไปเรื่อยไปเมื่อจิตนั้นนึกพุทธโธติดต่อกันไปนานเข้านานเข้าจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงโดยลำดับเท่านั้นเองนะพุทโธคุณเนี่ยจะตะล่อมจิตนี้ให้สงบลงไปโดยลำดับหรือถ้าหากว่าไม่บริกรรมพุทธโธอย่างนั้น เราจะมาเพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้มันก็จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเพราะมันไม่มีบาปมาสุดฆ่าให้คิดไปทางอื่นมันไม่มีบาปมาแทรกแซงดังนั้นจึงมีสติยับยั้งใจให้กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ เมื่อมันไม่มีบาปมาแทรกแทงอย่างนั้นใจนี่มันก็รวมลงทีละน้อยละน้อยลงไปแหละ ม, มันเป็นอย่างนั้นมันค่อยจมดิ่งลงไปสู่ฐานเดิมของมันไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์อยู่นะให้สังเกตดู ม, มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์มาแต่ภายนอกอื เช่นรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นเหล่านี้นะใจมันจะยอมรับรู้อารมณ์เหล่านั้นทันทีเลยอรับรู้แล้วก็วิตกวิจารณ์ไปตามรูปตามเสียงนนั้นไปยินดียิ น, ยนร้ายไปตามรูปตามเสียงเหล่านั้นเนี่ยธรรมดาจิตใจที่มันไม่สงบเนะีมันฟูขึ้นมาคอ ย, ยรับอารมณ์ดังกล่าวมานั่นนะ อยู่เสมอๆไปดังนั้นหละคนเรามันถึงหาความสบายไม่ได้เลยห้ามจิตก็ไม่ได้ห้ามแม่ให้มันคิดก็ไม่ฟังมันจะไปห้ามได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใจสงบลงสักทีนี่แะ่ปล่อยให้มันลอยนวลไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่งั่นจ่ น, นี่ แล้วเราจะไปห้ามมันกึกกักให้มันหยุดนิ่งไปเลยนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงนับตั้งแต่ขั้นต้นนี้ไปถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงเป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะถ้าจะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำลายต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้ต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่รากมันลึก ลากมันหลายซะด้วยเรื่อนี้จะทํำยังไงอ่ะอืทํายังไงก็ต้องตัดก้านลานกิ่งมันลงก่อนแหละอถ้าหาว่าจะไปโค่นต้นมันทีเดียวเลยอย่างเนี้เดี๋ยวมันจะหักทับอะไรต่ออะไรลงไปเสียหายมากมายก็ขึ้นตัดก้านลานกิ่งมันลงให้มันเหลือแต่ต้นมันอแบบนี้นะ การตัดก้านรานกิ่งของมันลงไปเหลือแต่ต้น น, น, น, นั่นแหละได้แก่การรักษาสินการไม่ทำบาปเว้นจากบาปต่างๆตัดความโลภความโกรธความหลงอันหยาบช้าลามกจะโ ด, ดนบันดาลให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กระพติผิดในกามกล่ามุสาวาดดื่มสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหัวนี้นะตัดกิเล ส, สามกองนี้ออกหมด กิเลสสามกองที่จะพาให้ไปทำบาปเหลนี้เหมือนเราตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันนะอย่างนั้นแหละเมื่อตัดมันออกหมดแล้วมันยังแต่ต้นของมันมันนี้ทำยังไง อ, ะอ่ะก็หาจอบหาเสียมมาหาขวานมาให้พร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นไป ตัดรากหอยเข้าไปโดยลําดับออันนี้เปรียบได้กับการทําความเพียรเพื่อทําใจให้สงบพระนิวรณ์ห้าออกไปโดยลําดับนั่นแหละแม้ว่าบุคคลจะมีศินจะละความโลภโกรธหลงอันนั้นส่วนหยาบอันนั้นออกไปแล้วแต่ความรักความชังความอะไรต่างๆมันยังมีอยู่ในใจ ความขี้เกียจขี้คลานโมนี่มีง่วงเหงาหงาวนอืมความฟุ้งซ่านของจิตใจโมนี่ยังมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับไปทําบาปทางกายวาจาเพียงแต่คิดฟุ้งไปเฉยๆความสงสัยลังเลเรื่องบาปปุลคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรโเนี่ยังมีอยู่ในใจนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงต้องมาเพียรพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้ให้ดับออกไปจากจิตใจเพียรระงับความรักความห่วงความอะไรในของที่ตนรักตนใครออยา่าไปวิตกวิจารไปกับสิ่งที่เคยรักเคยห่วงเห็นมาแต่ก่อนนั้นอยา่าไปวิตกวิจารณไปในบุคคลหรือว่า สัตว์ที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาแต่ก่อนห้ามห้ามคิดวันนี้นะถึงถึงบทนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เมื่อ น, นั่งทำความเพียรอยู่นี่ห้ามง่วงเหงาหาวนอน <c oughs> ทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็เอาแหละหาทางแก้ไขมันลงไป <c oughs> แล้วก็ห้ามจิตคิดพุ่งสั้นไปทางอื่นเพราะว่าเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้่การเพ่งนีไ่ได้แก่การสะกดจิตนั่นเองเละแต่ว่าใช้อํานาจก็ว่าได้การเพ่งนี้นะเช่นเพ่งลมหายใจเข้าออกกันนี่นะเอาจิตมันรีดอยากอยากคิดไปก็สะกดมันไว้ไม่ให้คิดนี่ใช้อํานาจเอาเลยแบบนี้นะ ไม่ต้องอ่อนไหวไปตามมันเมื่อเราอดทนเพ่งอยู่นะสะกดจิตไล่ด้วยสติด้วยขันติความอดทนสะกดจิตให้ดูให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นนั่นจะยากลำบากมันจะเกิดทุกขเวทนาก็ไม่วันไหวสู้มันนี่มันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติทางจิตใจนะ จะไปทำออนแอไม่ได้ี่าทํา่อนแอแล้วจิตไม่มีทางมันจะรวมลงเป็นหนึ่งอะไม่มีละความสงสัยลังเลต่างๆโเนี่อ ะ, อะก็ต้องเตือนตนเข้าไปอะเราไม่ต้องสงสัยหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วบาปก็อยู่ที่ใจนี่นะบุญก็อยู่ที่ใจนี่ ถ้าใจมันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอยู่นี่แหละมันสร้างมันกำลังสร้างเหตุแห่งบาปขึ้นมาเหมือนกาลังสร้างตัวบาปขึ้นมานี่จะไปสงสัยอะไรเรื่องบาปล่ะวันนี้บุญกุศลเนี่ยเรื่องบุญเนี่ยคมองดูจิตตัวเองเนี่ยมันไม่โลภอยากได้อะไรของใครแล้วยินดีใช้สอยแต่ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เท่านั้น แล้วมองดูจิตตัวเองในขณะ น, นี้ไม่โกรธใครอ่ะไม่เกลียดใครเลยไม่โูกใจเจ็บกับใครเล้วมองดูจิตของตนในขณะนี้ตนไม่ได้เชื่อลัทธิอะไรงมงายที่เขามีอุอบายชักส่วนให้ไปนับถือลัทธิอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นในโลกเนี้ยเราเราไม่หลง เรามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิใดจะประเสริฐเท่าพระพุทธศาสนานี่ไม่มีอืมแล้วไอ้อุบายที่จะกำจัดเหตแห่งความทุกข์เพื่อให้ได้บรรลุความ ส, สุขอันเป็นแก่นสารอย่างนี้นะไม่มีคําสอนใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับคําสอนของพระเจ้านี้ไม่มีอืมเพราะว่าลัทธิอื่นนั้น เขาถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนู่นมาโดนบรรดานในคนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่อไหไรอย่างนี้กรรมวิธีเขาก็าทำวิธีบ่วงสวงอ้อนร้อนหรือว่าเสกคาถาเป่าหรือว่าขับไร่ด้วยการลงผีกันด้วยการ สาถายายเว ท, ทมนตร์คนาถาขับไล่ผีสางข้างแดงที่สิงสถิตยอยู่ในตัวคนขับไล่เสนียดจันไรที่มาทําให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหมด น, นี่นะแต่โ บ, บราณทํากันมาพอแรงแล้วไม่เห็นว่ามันพ้นทุกอะไรไปได้ไม่เห็นว่าคนตาย่คนเหล่านั้น่ะมันถึงจะเสกมนตร์คนาถาอย่างไรมันก็ไม่ฟางมันก็ตายอยู่ได้ นี่แหละหลักคำสอนของพระเจ้านี่จึงซอว่าเป็นสัจธรรมนั่นแหละเป็นธรรมของกิงแท้พระองค์ไม่รับรองว่าจะช่วยชีวิตของใครไม่ให้แก่เจ็บตายนี่พระองค์ไม่รับรองนี้อืแถมยังพระองค์ยังสอนให้รู้เท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายลีกไม่พ้นต้องทำกับความรู้เท่าอย่าไปทุกข์ไปโศกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ ถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่ากเกิดมาอีกอย่ากเกิดมามีรูปมีนามอันนี้อีกต่อไปเอาทำอย่างไรถึงจะไม่ได้เกิดมาอีกละตัณหาความอยากโดยประการทั้งปวงให้หมดไปจากดวงจิตนี้ซักนี่พูดกันอย่างง่ายๆอยา่าไปอยากได้อะไรในโลกอันนี้นะเพียรละให้มันหมด เมื่อความอยากมันดับไปแล้วใจมันก็สงบมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหากว่าอาริยมรรอั น, นี้มันรวมกำลังกันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ถอนรากของความอยากนี้ออกมุดไปเลย เมื่อเป็นเช่นี้มันก็ไม่ต้องได้เกิดมาเป็นมีรูปมีนามอันนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแก่เฉียบตายต่อไปอีกนี่นะคําสอนของพระตัเจ้ามีเหตุผลเพียงพออย่างเนี้บางคนมาเสียดายเกิดอีกนี่แหละมันยากอยู่กับความอยากอันนี้แหละพ อ, อเกิดมาพบความสุขเล็กน้อยเหานี้ติดใจพอใช้อืจ เอา้าตายไปแล้วขอให้ได้เกิดมาอีกเพราะว่าทําบุญกุศลอะไรลงไปแล้วก็ขอให้ได้เกิดมาอีกมาเสวยผลบุญนี่อีกนี่เป็นอย่างนี้คนผู้ยังห่วงตัณหาอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราห่วงตัณหาก็เมื่อบุคคลมาละขันหานี้รงวางขันหานี้ได้ละความอยาก เกิดเป็นอะไรต่ออะไรได้มดสิ้นลงไปแล้วมันรู้ถึงซึ่งพรนิพพานแล้วก็มีความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขอันมั่นคงถาวรความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยความสุขในโลกทั้งสามนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญกุศลแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหา ความสุขในพบในชาติใหม่ต่อไปอีกอเป็นอยู่อย่างนี้นะในโลกสันนิวัตอันนี้เพราะฉะนั้นจึงบอความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรอ่ะแล้วจะห่วงมันอะไรนั่งหนานี่ขอให้พากันคิดใต่ตรองให้ดีแล้วพยายามบำเพ็ญจิตตะภาวนาให้สงบระ ง, งับปรงสังขารดังกล่าวมานนี้ลงไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสาร ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้